นายนิรยาบาลก็สั่งให้ทํากรรมกรมีเครื่องจองจํา5ประการนั้นกับกับสัตว์นั้นคือให้ตรึงหลาวเหล็กแดงที่มือทั้งสองข้างคือทุกอย่างนี่มันแดงเป็นไฟหมดอ่ะนะตรึงไวท้ที่เรียกว่าตอกตะปูที่เท้าสองข้างตอกตะปูที่มืออีกสองข้างแล้วก็ตอกกลางอกติด ก, กับพื้นอีกที่หนึ่งอ่ะนะแต่ลรตอกตะปูหแห่งสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนในนรกนั้น ไม่ตายตราบเวลาที่บากปรกรรมยังไม่สิ้นสุดทุกโทมานต์อณากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความรักเหตุจากความยินดีเกิดเพราะความกําหนัดเพราะเหตุแห่งความกําหนัดด้วยอํานาจความยินดีของผู้นั้นและนายเนียบบาลทําแค่นี้พอไหมยอย่างนายเนียบบาลก็ให้สัตว์เหล่านั้นนอนลงแล้วเอาผึงถักใช้ผึงใช้ขวานเนี่ยถัก เอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วก็ใช้พระถากเนี่ยนะมีดพระเนี่ยถากเคยเห็นก็แขวนขาโคขาแพ้ไหมแล้วเขาก็แล่ลงแบบนั้นแหละให้เทียมสัตว์นั้นเข้าที่รถแล้วก็ให้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะวิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่ติดไฟลุกโชนมีเปลวลุกรุ่งโรโชดช่วงต้อนให้ขึ้นสู่ภูเขาไฟฐานเพลิงที่มีไฟเนี่ยติดเปลวลุกโชดรุ่งโรโชดช่วงวิ่งขึ้นลงบนภูเขาไฟเนี่ย ภูเขาไฟจริงๆนะั่นไม่ใช่แบบภูเขาไฟที่มันร้อนแบบนี้จับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาศีรษะลงข้างล่างแล้วก็เหวี่ยงลงไปในหม้อเหล็กทองแดงหม้อเหล็กแดงเนี่ยนะก็เหมือนกับที่เราต้มเปรตอย่างที่ว่านี่นะจับโจรต้มล ง, งไปอันไฟนั้นก็ติดโชนมีเปลวรุกรุลงโรดสัตว์นั้นเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กแดงเหมือนฟองน้ําข้าวที่กําลังเดือดเคยต้มข้าวไหมข้าวต้มหมาก็เราต้มนัน ลอยๆสัตว์นั้นเมื่อเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กแดงเหมือนฟองน้ําข้าวที่กําลังเดือดบางอาึกไปข้างบนครางนะคราวหนึ่งก็ลอยขึ้นก็จมลงคราวหนึ่งหมุนไปรอบๆสัตว์นั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดร้อนในหม้อเหล็กแดงนั้นไม่ตายตราบเท่าที่ไม่สิ้นกรรมทุกโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดจากอะไรเกิดเพราะเหตุจากความรักเกิดเพราะเหตุแห่งความยินดีเกิดเพราะความกําหนัด เพราะอำนาจความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นอันนี้พวกนี้เป็นนรกบริวารไม่ใช่องค์จริงของนรกอะไรมาฟังตัวนรกจริงๆเรียกมหานรกเลยนะนายนิรยาบาลก็เหวี่ยงสัตว์นรกลงไปในมหานรกมหานรกเป็นชื่อของเอเวจีเนี่ยนะเป็นยังไงบอกว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมมีสี่ประตูที่บา ป, ปรกรรมจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กกั้นไว้เป็นที่สุดปิดครอบด้วยแผ่นเหล็ก นะมีพื้นล้วนเป็นเหล็กไฟลูกโพล่อยู่แผ่ไปร้อยโยดโดยรอบนะไฟนี่พุ่งเป็นพันๆกิโละตั้งอยู่ทุกสมัยนะแล้วไอ้ไฟนี้มันไม่ดับเป็นอ่ะร้อนระอุอยู่ตลอดไม่มาเป็นเมนุูกี่ล้านปีมาแล้วเขายังยังสนใจแล้วไอ้ใต้ลาวานี่มันคืออะไรนะนะลาวาที่มันไหลเนี่ยนะนะแล้วถามไอ้ข้างล่างนั้นนะนะคืออะไร แต่แต่ถ้าดูตามอะไรนะในในตะโปธาวันอะ่ะตะแม่น้ำตะโปธานี่ที่มันร้อนเนี่ยที่บ่อน้ำร้อนเนี่ยเพราะมันไหลผ่านตะโปธานรกมาแต่ถ้าไอหม้อน้าร้อนไอบ่อน้ำร้อนที่อื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากกรรมฐันมันเยอ ะ, อะนะมันก็เลยทำให้มันเกิดความร้อนแต่ว่ามีใครมุดลงไปลึกๆเนี่ยนะนั้นมีอะไรไม่ต้องไปรองนั่งเรือเนาะ <c oughs> บอกว่า ไฟเนี่ยมันตั้งอยู่ทุกสมัยนะรกใหญ่ร้อนจัดมีเปลวไฟรุ่งโรดยากที่จะเกล้าไปใกล้หน้าขนลุกหน้ากลัวมีภัยเฉพาะหน้าขนาดพระอรหันต์ทยังบอกว่าหน้าขนลุกขนพองสยองเกล้าเลยนะขนาดพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาท่านยังบอกว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราล่ะบอกมีแต่ทุกข์เปลวไฟตั้งขึ้นจากฝาด้านหน้าเผาสัตว์ที่มีกรรมอันเป็นบาป ผ่านไปจดฝาด้านหลังกองไฟเปลวตั้งฝาด้านหลังเผาเหล่าสัตว์ที่มีกรรำอันชั่วช้าผ่านไปจดฝาด้านหน้ากองไฟที่ตั้งขึ้นจากฝาด้านใต้เผาไปไปจดฝาด้านเหนือไฟจากด้านเหนือก็เผาไปจนจดด้านใต้กองเปลวไฟตั้งขึ้นจากด้านล่างอันหน้ากลัวก็เผาสัตว์ขึ้นจดฝาข้างบนไฟจากข้างบนก็จดจากข้างล่างแปลง่ายๆว่ามันมีอยู่สี่มุมก่อนสี่มุมและมีบนล่างเท่ากับ6ทิศ ทุกอย่างไฟพุ่งได้หมดเลยเนะไฟบุ่นจากหน้าจากหลังจากซ้ายจากขวาจากบนจากล่างเนี่ยนะโอ้สัมผัสทุกอนูอนะได้สัมผัสกับทุกๆุกอนูเลยบ้างกันเขบอกว่าหน้ากลัวเผาสัตว์ที่มีก ร, รมอันชั่วช้าไปจุดพื้นบ้างล่างแผ่นเหล็กที่ติดทั่วแดงโชนไฟพลง่งฉันใดเคยเห็นไฟหล็กแดงแด ง, ดงที่มันลุกโชนฉันใดไฟอเ น, นเวจีนรก ข้างล่างก็ปรากฏที่สัตว์เห็นอยู่ข้างบนชั้นนั้นทุกอย่างมองเป็นแด้งไปหมดเลยนะสีทองแบบนั้นนะ่ะเหล่าสัตว์ในอเวจีนั้นชั่วช้ามากทํากรรมที่ชั่วมากทําแต่กรรมลามกอย่างเดียวทําแต่กรรมที่เป็นบาปถูกไ ฟ, ถ, กไฟถูกไฟไหม้อยู่แต่ไม่ตายกายของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนั้นเสมอด้วยไฟไม่รู้ว่าไฟกับกายต่างกันยังไงเชิญดูความมั่นคงของกรรมทั้งหลายเถิดอ อะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับเจตนาใช่เจตนานี่มันยิ่งจริงๆเลยนะมันมั่นคงมากขนาดไฟที่ไม่มีขี้เท่าแม้แต่เหมาก็ไม่มีแสดงว่าสุดยอดของเปลวไฟที่มันลุกแ ล, ะละ้วล่ะเหล่าสัตว์นั้นรีบวิ่งไปทางประตูด้านหน้าที่เปิดอยู่กลับจากประตูด้านหน้าวิ่งมาทางประตูด้านหลังไอประตูเนี่ยมันมันก็หลอกอีกนะมันเปิดหลอกอีกมันปิดหลอกเปิดหลอกเนี่ยนะนะให้วิ่งไป กลับจากประตูด้านเหนือวิ่งไปทางใต้แม้จะวิ่งไปสู่ทิศใดๆประตูนั้นก็ปิดเองไปวิ่งไปถึงก็เหมือนกับปิดเอง น, นะคะถูกหลอกแบบนั้นเน่เหล่าสัตว์นั้นหวังจะออกหาทางที่จะพ้นไปก็ออกจากนรกนั้นไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัดใจยดวยว่ากรรมอันเป็นบาปเหล่าสัตว์นั้นทำไว้มากยังไม่ได้ให้ผลหมดจดดังนี้ถ้าไม่สิ้นกรรมก็ไม่สิ้นทุกข์เนี่นะถามว่าความทุกข์อันน่ากลัวนี้เกิดจากอะไร สาเหตุนะต้นเหตุจริงๆเลยนะก่อกําเนิดเชื้อโรคตัวนี้มาจากไหนที่มันทุกข์ขนาดนี้เพราะความรักเหตุแห่งความยินดีเกิดเพราะความกําหนัดเกิดเพราะความกําหนัดด้วยอํานาจความยินดีแห่งเหล่าสัตว์นั้นสรุปว่าทุกในนรกทุกในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกในเปร τ, ติวิสัยทุกข์ในมนุษย์ทุกเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้ว ทุกเหล่านั้นทั้งหมดย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดบังเกิดบังเกิดพรามบังเกิดเฉพาะปรากฏเพราะเหตุจากความรักจไมาเลยกว่าเออทุกเราเนี่ยนะถ้ารักเมื่อไหร่ก็บอกว่ากําหนดไล่รหัสทุกอ ะ, อะไรนะเปิดบัญชีทุกมาอ่านเลยทุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก0จ้าเก้าสก็ทุกทั้งนั้นเนี่ยนะก็เอาไปเพราะเหตุแห่งความกําหนัดเพราะเหตุแห่งความกําหนัดด้วยความยินดีของสัตว์นั้นทุกนี้ย่อมเป็นไปตาม ความรักเหล่านั้นรักด้วยอำนาจตันหาก็ตามรักด้วยอำนาจทิฏฐิก็ตามจบลงด้วยความทุกข์ดังที่กล่าวไปบุคคลเมื่อเห็นโทษที่เกิดจากความรักเมื่อเห็นแลเห็นเพ่งดูพิจารณาเห็นโทษซึ่งความรักด้วยอำนาจตันหาความรักด้วยอำนาจทิฏฐิเห็นโทษอันเกิดจากความรักด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิเพืงเที่ยวไปด้วยมักแ8ดแต่ผู้เดียวดุดนอ แ, แรกฉะนั้น พ ร, ระปเจกับพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักย่อมปรากฏบุคคลเมื่อเห็นโทษอันเกิดแต่ความรักเพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแลชฉะนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วที่ที่ท่านสอนแนะนําบอกว่าให้เห็นโทษของความรักอะไรเป็นต้นเนี่ยคือท่านเห็นว่าผลออกมามันทุกเกินกว่าที่จะมาเพลิดเพลินในสิ่งที่มันเล็กน้อยเนี่ยนะ ตอนอัศธาตอนหน้ายินดีตอนหน้าเพลิดเพลินมันน้อยเกินไปแต่ความทุกข์ที่ติดตามมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะอย่างอย่างทุกข์ในโลกในวันก่อนโยมก็เล่าลให้ฟังว่ามีคนไข้โรคที่ไม่พึงปรารถนาหนึ่งคนป่วยเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่รับบอกว่าออกลับบ้านเชื่อเนี่ยนะอยู่หมอก็ทําอะไรไม่ได้ยังไงก็ตายเห ง, งือนกันเขาว่าจับตรงไหนนี่แทบเนื้อตรงนั้นแทบหลุดหมดเลยแต่ยังไม่ตายเนี่ยนะ ถ้าจับหนังหนังหลุดจับเนื้อเนื้อหลุดนี่จะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าคนจับไม่ดีนติดเชื้อด้วยนะเชื้อโรคทั้งนั้นแล้วก็ในที่สุดก็ไม่รู้เผาเมื่อวานหรือเผาวันนี้ก็จำไม่ได้ละแต่สรุปว่าเผาเรียบร้อยแล้วละ่ะเนี่ยก็นี่แหละทุกมันก็เกิดจากอะไรเ ร, ส ร, รษษาสืบสาวประวัติดูแล้ว โ, โหมันก็สมควรวนั้นแหละเนี่ยนะกรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกา ย, ยากรรมวจีกรรมและ มโนกรรมผู้ใดทํากรรมอะไรไว้ก็สมควรแก่กรรมอั น, นั้นถึงไม่แช่งก็เป็นไปตามกรรมนะเราแช่งหรือเราไม่แช่งเราเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยกติกาของกรรมก็คือกติกาของกรรมเหมือนหน้าฝนเราเห็นด้วยว่าฝนควรตกหรือฝนไม่ควรตกมันก็ตกไปตามเหตุปัจจัยของฝนอันนั้นคือเรียกว่าอุตุนิยามกรรมมณิยามก็เหมือนกันเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็กรรมมณิยามตามสมควรแก่เหตุและผลเหมือนเหมือนอีกอันหนึ่งธรรมนิยามเราจะเห็นด้วยว่า ควรแก่ควรตายหรือไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรแก่ไม่ควรตายมันก็แก่ก็ตายเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมนิยามเหมือนกระแสะของความคิดที่มันไหลสืบเนื่องไปเขาเรียกว่าจิตตนิยามจิตตนิยามเหมือนผลไม้ทั้งหลายที่ทออกตามฤดูกาลตามความเหมาะสมของพืชผลไม้เหล่านั้นเขาเรียกว่าผีชะนิยามเรื่องนิยามหามันเป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนี้แหละไปทําอะไร อกเรื่องหนึ่งนะกเรื่องหนึ่งคาถาที่สพระประเจกรูปที่3หน้า142ท่านบอกว่าพระประเจกรูปนี้สรุปว่าท่านสั่งสมบุญมาปฏิบัติธรรมมาสองมืนปีนะก็จุติจากพรหมโลกมาเสเวยสมบัติอยู่ในกรุงพารณสีเสร็จแล้วก็เจริญปฐมฌานเป็นพระราชาได้ฌานอะ่ะคิดดู มีบุญขนาดนั้นนะเป็นพระราชาที่ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่าระหว่างสมนธรรมคือปฐมฌานกับราชสมบัติอันไหนจะประเสริฐกว่ากันก็มาชั่งใจชั่งเ อ, อราชสมบัติกับกุศลธรรมอันไหนดีกว่ากันตกลงว่าจะรักษาอันไหนก็เลยมอบราชสมบัติไว้ในมืออมาตะของสี่คนแล้วก็กระทาสมมธรรม อามาตย์ทั้งหลายแม้พระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงทำโดยทําโดยสม่ําเสมอก็รับสินบนทําโดยอธรรมแต่งตั้งแต่อามาตย์ทรราชเนี่ยนะขึ้นอามาตย์เหล่านั้นไม่รับสินบนก็ทําโดยอาธรรมสรุปว่าทําตามใจให้หมดเลยรับสินบนก็ทําเจ้าของให้แพ้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ให้ราชบรลลปคนหนึ่งแพ้คือคือคนสนิทของพระราชาราชวรลก็คือคนรับใช้พระราชาคนใกล้ชิดเนี่ยนะ ทำให้คนใกล้ชิดพระราชาแพราชวัลลบนั้นก็เข้าไปเฝ้าพร้อมกับพนักงานห้องเครื่องคือพระกาย า, าน่ะนะของพระราชาบอกเรื่องทั้งหมดให้พระราชาทราบวันที่สองพระราชาก็เสด็จไปสู่สถานที่วินิจฉัยด้วยพระองค์เองแต่นั้นหมู่มหาชนก็ส่งเสียงดังว่าอามาตย์เจ้าอมาตย์เนี่ยทำเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของกระทําเสียงดังเหมือนกับการรบใหญ่เนี่ยนะโฉลมนวุญวายไปหมดเลย ก็ ค, คือดีใจที่พระราชาตัดสินทุกอย่างโดยทำลําดับนั้นพระราชาก็เสด็จลุกขึ้นจากสถานที่วินิจฉัยเสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งเพื่อเข้าสมาบัติก็ไม่อาจจะเข้าได้แม้ไปจัดแจงงานมาชุลมุนวุ่นวายเนี่ยกลับมานั่งแล้วฟุ้งเลยนะก็เลยฟุ้งซ่านด้วยเสียงนั้นเนี่ยนะเพราะว่าไปรับกระทบกระเทือนทั้งวันเนี่ยนะเพราะไปชมอะไรนะมัวแต่ไปทําหน้าที่ศาลฟุ้งซ่านนะมีแต่คนเหมือนกับประท้วงใหญ่เลยแหละ พระองค์ก็พิจารณาว่าเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติตกลองว่าครั้งนี้หรือว่าเด็ดขาดแล้วว่างั้นสมณธรรมประเสริฐกว่าดังนี้แล้วพระองค์ก็สละสุขในราชสมบัติยังสมาบัติให้เกิดขึ้นพิจารณาเห็นโดยในยะที่กล่าวในก่อนนั่นแลก็ทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยามีบุญและนั่งบนบัลลังก์ก็บรุ้นได้นะพรานขอให้เจริญสมถาวิปัสสนาไว้ให้ดีเถอะอยู่ตรงไหนก็บรุ้นได้หมดถ้ายินรีย์แก่กล้าบารมี เต็มเตรียมพอแล้วเนี่ยนะไม่ต้องหนักใจหรอกขอให้เจริญสมรธรรมเจริญสมรรถวาทิปสนาตามคำสอนให้มันดีเถอะน่นะหลังจากนั้นพวกอมตก็ได้ทูล ถ, ถามถึงกรรมฐานพระองค์ก็ตรัสตอบว่าตอบว่าไงบุคคลเมื่ออนุเคราะมิรและพวกที่มีใจดีย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันบุคคลเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนม เพื่อเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกเหมือนกันบอกว่าบุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรและพวกที่มีใจดีทําประโยชน์ตัวเองให้เสื่อมไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะย่อมเป็นผู้มีจิตผูกพันมันเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความผูกพันความสนิทสนมเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกอธิบายว่าในหน้าหนึ่ง้สบสา คำว่ามิดมิดเนี่ยด้วยอำนาจแห่งความใคร่ชื่อว่าสหายเป็นผู้มีใจดีก็บางคนเป็นแต่มิตรเท่านั้นไม่เป็นสหายเพราะเป็นผู้ใคร่ประโยชน์เกื้อกูลอย่างเดียวบางพวกเป็นสหายเท่านั้นไม่เป็นมิตรเพราะให้เกิดสุขสาทางใจในการมาการตาการยืนการเจรจาเป็นต้นเท่านั้นบางพวกเป็นทั้งมิตรด้วยเป็นทั้งสหายด้วยนะนะ คือคิดง่ายๆว่าลักษณะของมิตรคืออะไรคือคนที่มุ่งประโยชน์อย่างเดียวใครที่ให้ประโยชน์เราได้คนนั้นเรียกว่ามิตรใครที่คุ้นเคยอย่างเดียวเรียกว่าสหายบางคนเป็นแต่มิตรไม่เป็นสหายบางคนเป็นแต่สหายไม่เป็นมิตรคือลักษณะของมิตรคือคนที่นําประโยชน์มาให้เรียกว่ามิตรคนที่เป็นสหายคุ้นเคยกันเฉยๆแต่ว่าไม่ได้นําประโยชน์อะไรมาให้แต่ถ้าเป็นทั้งมิตรทั้งสหายก็คือนําทั้งประโยชน์ให้ด้วยทั้ง คุ้นเคยด้วยก็เลยเรียกว่ามิตรสหาย